พูดถึงคำว่าละกามฉันทะนิวร์เนี่ยนะที่ที่เราเจริญหรือปฏิบัติกันเนี่ยถามว่ามุ่งละนิวร์อันไหนไ อ, อ้มุ่งละไ อ, อ้กามฉันทะอันไหนกามฉันทะที่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม กามฉันทาคือโลภะเนี่ยนะที่เราจะละโลภะเนี่ยถามว่าละโลภะอันไหนถ้าละโลภะที่กำลังเกิดขึ้นอันนั้นที่เราจะเรินกุศลเนี่ยนะถ้าเรากาลังละโลภะที่กำลังเกิดขึ้นแสดงว่าโลภะกับกุศลต้องเกิดด้วยกันเโลภะกับกุศลต้องเกิดด้วยกันแต่ถ้าบอกว่าละกามฉันทาที่เป็นอดีต อ้าวมันก็หมดไปห้องมันอยู่แล้วเนีย่ยนะตอนกล่าวิธีคิดอย่างนี้อย่าคิดคิดไปมันก็ไม่ถูกก็บอกว่าต้องมองมาที่ชาวนาใช่ไหมชาวนะจะขึ้นขึ้นต้นด้วยมนโนทวาราวชนะนะจะมีผวังก่อนผวังนี้สามารถต่อด้วยชาวนะทั้งที่เป็นวันนี้ข้างบนนี้เป็นกุศลข้างล่างเป็นอกุศล มันจะมีสองอย่างว่าถ้ากุศลเกิดอกุศลไม่เกิดถ้าอกุศลเกิดกุศลไม่เกิดเนี่ยนะถ้ากุศลเกิดเนี่ยไออาวัชนะอันนี้เน้นมาที่อะไรที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะถ้าข้างล่างก็มาจากอโยนิโสมนสิการก็แล้วแต่ว่าโยนิโสหรือ ไม่มีโยนิโสถ้าโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นกุศลเกิดถ้าอโยนิโสมนณสิการเกิดขึ้นอกุศลก็เกิดนะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่กุศลเกิดเนี่ยนะในขณะนั้นก็ชื่อว่าละนะได้โดยชื่อนะได้โดยชื่อแต่ไม่ไม่ต้องไปบอกว่าไอ้คำว่าละในที่นี้แปลว่าอกุศลไม่ได้ช่องอย่างนี้ก็ได้ ในขณะที่กุศลเกิดอกุศลขณะนั้นไม่ได้ช่อ ง, องนะทีนี้ถ้าเลยขึ้นไปอีกว่าถ้าเจริญกุศลเหล่านี้นะจนถึงอริยมรรคเกิดขึ้นอันนะอริยมรรคเกิดขึ้นในระหว่างนี้อาจจะเจริญกุศลประเภทวัดนะทุดงสมถะ วิปัสนาอะไรอีกบ้างนันะ่นคันทะคือคำพีเนี่ยนะก็ระหว่างนี้อาจจะเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กุศลที่อบรมเนี่ยนะก็อบรมควบคู่กันทั้งสมถะวิปัสนาสมถะเรียกว่าวิขัมภนะปะหาร นนะวิคัมพนะตหานะคือละโดยการข่มไว้นี่นะส่วนวิปัสนาเรียกว่าละโดยตะทางคะนี่นะก็มาจากตังบวกอังคานะองค์นั้นนะ่ะคือมัายคำว่าละองค์นั้นหมายว่าละสมควรกันนะ่ะนะ เพราะสิ่งที่ละมันเยอะมากไอ้สิ่งที่เจริญเพื่อละก็เยอะท่านก็เลยบอกใช้คําว่านั้นอะไรละด้วยเรื่องนั้นๆไปละเป็นเรื่องๆไปอย่างนั้นนะท่นก็ว่าไปอย่างนีนะ้แปลว่าละเป็นเรื่องๆก็ได้เห็นไหมละเป็นอย่างๆไปก็ได้ทีนี้ระหว่างนี้ก็ต้องเจริญสมถะวิปัสนาจนให้อริยมรรคเกิดอริยมรรคที่เกิดขึ้นมีมีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์ เขาเลยตั้งคำถามว่ามักที่เกิดขึ้นอันนี้ละกิเลสอะไรอันนละกิเลสประเภทไหนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันมาบ่อยมากมาวันลบก็เลยบอกว่ามันฉีดวัคซีนนั่นแหละว่างั้นอันนี้มาอยู่ไหนแล้วครับ <Okay. S 1> นยนะไปว่าจะดีอยู่หรือเปล่า ก็บอกว่ามักที่เกิดขึ้นมักที่ละกิเลสเนี่ยนะละกิเลสประเภทท่านบอกว่าภูมิลัทุปปณนะเนี่ยนะเขาบอกว่าเกิดขึ้นเพราะได้ภูมิกิเลสชนิดที่ว่าถ้าได้ภูมิแล้วมันเกิดะนะผู้ที่อบรมจนได้มักแล้วถึงได้ภูมิกิเลสไม่เกิดปกตินะคำว่าภูมิในที่นี้หมายถึง วิปัสนาภูมิวิปัสนาภูมินั้นคือคืออะไรบ้างก็คือขันในภูมิ3นะขันในภูมิสเรียกว่าวิปัสนาภูมิภูมิเป็นที่เกิดของวิปัสนาเนี่ยนะถ้ากิเลสจะเกิดเกิดที่ไหนถ้ากิเลสจะเกิดก็เกิดในขันเหล่านี้นี่แหละขันในภูมิ3เหล่านี้แหละ คำว่าภูมิ3คือการ ม, มาภูมิอนนะโดยพบก็แบ่งเป็น11ใช่ไหมรู ป, ปรภูมิอันนี้ก็16อนนะอรู ป, ปรภูมิก็เรียกว่าภูมิ3อันนี้อีก4นนะ้เป็นเรียกว่าส1อนนะ็ัน5้ขันาในภูมิ3เหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของ กิเลสกิเลสถ้าจะเกิดน ะ, ะพวกนี้ในฐานะเป็นสูตรของเขาก็ต้องไม่ลืมนะวัตถุหรือทวารเนี่ยนะเกิดขึ้นจิตจะเกิดจิตอันนี้บวกกับกิเลสกิเลสก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่จะเกิดขึ้นในรับรู้อารมณ์ต่างๆในภูมิสาม อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นะจะเป็นอารมณ์ปัจจัยให้กิเลสเกิดทีนี้ผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาก็เจริญตรงนี้แหละเพื่อในเบื้องต้นไม่ให้กิเลสเกิดทีนี้พอเจริญที่เรียกว่ากุศลชาวนะเนี่ยนะเจริญกุศลปารบเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุดงเรื่องวัดเรื่องปริยัตเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเนี่ยอบรมอย่างนี้จนเป็นอุปนิสัยให้อริยมรรคเกิดขึ้น อริยมรรคเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วอะถึงมีวัตถุมีอารมณ์อย่างนี้กิเลสอันนี้ก็ไม่เกิดเนาะนะกิเลสอันนี้จะไม่เกิดเลยอันนะมรรคเนี่ยละกิเลสชนิดนี้ละกามฉันทะประเภทนี้กามฉันทะที่ได้ภูมิอันนี้อันนี้อย่างที่หนึ่งนะที่มรรคละอย่างที่สองเรียกว่าอารมนาทิขตุ ป, ปนณะ นะอารมนาที่ขตุปปนะเนี่ยนะเกิดขึ้นโดยถือเอาอารมณ์เนี่ยนะคือหมายถึงการมาฉันทะเวลาจะเกิดก็เกิดโดยโดยอารมณ์เนี่ยนะทีนี้ตอนที่อารมณ์นั้นนั้นยังไ ม, ไม่ไม่ปารบกิเลสก็ไม่ทันเกิดใช่ั้ยสมมติถ้าเราชอบดอกไม้ในขณะนั้นมันไม่มีดอกไม้ให้ชอบอะ่ะในขณะนั้นก็เรียกว่ายังยังไม่ได้อารมณ์แต่ถ้าการมาฉันทะจะเกิดมันก็ได้อารมณ์มาก่อน พอพอได้อารมณ์ปั๊บมันเกิดเลยอ่ะไอการที่กิเลสเกิดขึ้นโดยได้อารมณ์อย่างนี้เรียกว่าอารัมมาทิขตุปปะนะนะคือกิเลสเกิดขึ้นเพราะได้อารมณ์คือบางคนเนี่ยเช่นอาจาราคะากิเลสนะไปอยู่ในสถานที่บางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับราคะเลยขณะนั้นกิเลสแบบราคะเขาไม่เกิดบางคนขี้โกรธเนี่ยนะแต่ว่าไปอยู่ในบางสถานที่ไม่ก่อให้เกิด ความโกรธอะไรแม้แต่หน่อยเดียวแต่พอไปได้อารมณ์ปับ๊บความโกรธก็เกิด อ, อารมนาทิขตุ ป, ปันนะนี่ก็เหมือนกันคำว่าการมาฉันทะพอได้อารมณ์มันก็เกิดถ้ามักจะละนะละกิเลสประเภทนี้อย่างที่สามท่านใช้คำว่าอาวิคขัมพิตุ ป, ปันนะ น, นะวิขมพนะนี้โดยศัพ์แปลว่าขมไว้ใช่ไหมวิขมพนะแปลว่าขมอะมาก็ไม่ได้ข่มไว้กิเลสที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ข่มไว้การขมนี้ขมด้วยสมถะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ขมด้วยวิปัสสนาเงีย้ยนะถ้าผู้ที่ปฏิบัติจนได้อริยมร์เนี่ยนะก็จะละกิเลสประเภทนี้บางคนกิเลสไม่เกิด ที่กิเลสไม่เกิดเพราะเขาเจริญสมถะและวิปัสสนาอยู่ถามว่าถ้าเขาทิ้งสมถะวิปัสสนาเมื่อไหร่กิเลสเกิดไหมมันก็เกิดอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอริยมรรคถ้าจะละ ก, กิเลสละ ก, กิเลสชนิดนี้ละ ก, กิเลสชนิดที่เรียกว่าไม่ได้ข่มไหมอย่างที่สี่เนี่ยนะอะสมมหะ ปัาเ น, นี่ยนะก็บอกว่าละกิเลสที่ที่ยังไม่ได้ถอนด้วยอริยมรรคน่ น, นะพออริยมรรคเกิดขึ้นก็ถอนกิเลสได้ะนะคือหมายความว่าตัดเชื้อตัดสะพานที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่เจริญอริยมรรคนั้นนะ่ะคำถามเขาจึงบอกว่าไม่ได้ละกิเลสอดีตอนาคตและปัจจุบันอะไรทั้งหลายแล ทีนี้พูดถึงบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะที่ไม่เกิดอริยมรรคเนี่ยพอได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสอย่างนี้กิเลสเกิดเลยเนี่ยนะปกติกิเลสจะเกิดเพราะเหตุนี้ถ้าถ้าไม่มีมรรคนะเช่นพอได้ภูมิกิเลสก็เกิดอย่างที่สองพอได้อารมณ์กิเลสก็เกิดที่ไม่ได้ข่มไว้กิเลสก็ก็เกิด กิเลสที่ยังไม่ทันได้ถอนเนี่ยนะพอได้ปัจจัยก็ก็เกิดเพราะฉะนั้นมรรคกิเลสสี่ประเภทนี้เนี่ยนะคำ ว, ว่าภูมิภูมิตัวนี้เป็นชื่อของวิปัสนาภูมิอ า, มา ไ, ไองไงนะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ภูมิคือนิพพาน อ น, นะอ่าใช่ อ, อ, งงอันนะไอ้ที่เหลือจากนิพพานเรียกว่าวิปัสนาภูมิคือไม่ใช่ภูมิความหมายความว่าขันธวิมุติถูกไหมครับใช่ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าถ้าถ้าตราบใดยังมีวิปัสนาภูมิอยู่ถ้าเผชิญกับวิปัสนาภูมิอยู่ก็อยากคิดว่ากิเลสจะไม่เกิดถ้ากิเลสจะเกิดก็เกิดเพราะ วิปัสนาภูมิสํานวนฉฉ ก, ก, กะสูดถ้าได้วัตถุมีวัตถุมีอารมณ์ความคิดก็เกิดถ้าความคิดเกิดกิเลสจะไปไหนเสียมันก็เกิดพวกนี้ทั้งหมดเป็นวิปัสนาภูมิหมดเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นกิเลสจะเกิดนะมันจะอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิด <c oughs> อ่ะนะธรรมะในภูมิสามทั้งหมดเนี่ยสา ม, มารถเป็นอารมณ์ของ กิเลสได้หมดเลยแต่ถ้าผู้ที่ทําปริญญาเสร็จเนี่ยนะเจริญกุศลจนถึงอริยมรรคถึงได้อารมณ์กิเลสก็ไม่เกิดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอพระองค์เจริญปฏิบัติธรรมจนได้อริยมรรคเกิดขึ้นแม้ได้รับอารมณ์ที่เป็นทิพกิเลสก็ไม่เกิดเนี่ยนะเพราะว่าท่านทําปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะคือทำอทำกิจสี่ประการใน ในขันในภูมิสามเสร็จแล้วขันในภูมิสามปกตินี้คือควรกิจของเขาคือปริญยยากิจใช่ไหมฉันทราคาที่มีในภูมิสามกิจควรละธรรมะที่สงบระงับจากสิ่งเหล่านี้ควรทำให้แจ้งอ น, นะกิจทั้งหมดนั้นเป็นกิจของอริยมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำกิจเหล่านั้นเสร็จถึงได้ภูมิกิเลสก็ไม่เกิด อันนี้พูดถึงผู้ที่ละกิเลสจริงๆนะละกิเลสสี่ประเภทนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปถามเลยว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหนที่มักะเห็ น, นนะไหง่ายๆดีก็ทฤษฎีหมอนะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วสีเข็มเพราะฉะนั้นถึงไปติดยังไงก็โรคไม่กำเริบนะลักษณะนั้นแหละโรคไม่เกิดขึ้นนะนะั่นแหละอันอรยมร์เนี่ยนะมีอยู่สี่สีมร์เห็นไหม เหมือนก็ฉีดสีเข็มนั่นแหละพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ถึงได้ปัจจัยได้เชือ้อกิเลสก็ไม่เกิดใครก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเกิด <c> ถ้ายังอยู่ในสิ่งแวดล้อมนีน ะ, นะถ้าถ้ายังไม่ได้ถ้ามรรคไม่เกิดนะถ้าได้สิ่งแวดล้อมนี้กิเลสก็เกิด แต่ก็มีบางครั้งกิเลสไม่เกิดเพราะยังไม่ได้รับอารมณ์แบบนั้นเช่นบางคนก็ยังยังโกรธอยู่แต่ว่าตอนนี้ที่ไม่โกรธเพราะไม่มีเหตุให้โกรธเห็นไหมเช่นถ้าใครมาขอสตังหรือมาทวงหนี้เป็นต้นเนี่ยนะอาจจะความโกรธอาจจะเกิดขึ้นแถวๆนั้นเลยใช่ไหมคือพอได้อารมณ์ปั๊บความโกรธก็จะเกิดเนี่ยอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะไม่ได้ข่มไว้หรือบางคนเนี่ยข่มเอาไว้แล้วแต่ยังถอนไม่ได้เด็ดขาด ก็อย่าคิดว่ากิเลสจะเลิกเกิดเช่นวอย่างพระที่ท่านได้สมถะหรือเจริญวิปัสนาเนี่ยนะตอนหลังพอพอเลิอกอโยนิโสเกิดกิเลสก็ ก, ก็เกิดอนะอุปนะแปลว่าเกิดขึ้นอ่ะนะอุปนังโหติอุปนะแปลว่าเกิดขึ้นรัฐาแปลว่าได้เกิดขึ้นเพราะได้ภูมิจำนวนเราว่าสิ่งแวดล้อมก็ได้ อย่างที่สองเกิดขึ้นเพราะได้อารมณนะ์เพราะได้อารมณ์กิเลสก็เกิดอย่างที่สามที่กิเลสเกิดเพราะไม่ได้ข่มเอาไว้เลยคือไม่ได้เจริญสมถะวิปัสนาเอาไว้เพราะฉะนั้นกิเลสก็เลยเกิดอย่างที่4บางคนที่กิเลสเกิดเนี่ยนะเพราะยังไม่ได้ถอนได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าถึงไปเกิดในพรหมโลกก็ยังเวียนกลับมาอยู่อย่างนี้อีกเพราะยังไม่ได้ถอนโดยสิ้นเชิงอ่ะนะกิจที่จะมาถอนรากกิเลสได้โดยสิ้นเชิงก็ด้วย อริยมรรคเนี่ยนะนคือถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะไม่ไม่เอาเรื่องนี้มาคิดเนี่ยนะเรื่องอนุสัยเนี่ยขอให้คิดไปเถอยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะขอมาสงสัยเรื่องนี้มาห้าปีกว่าแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ไม่สงสัยคิดแล้วคิดพอคิดโน้นคิดนี้ไปมันตันอ่ะเอ๊ะมันละกิเลสอะไรกันแน่เนี่ย น, นะ แต่แท้ก็เอาอย่างที่หมอว่า ง, ง่ายดีก็คือวัคซีน่ะเพราะไอ้ไข้ที่จะขึ้นเพราะไม่ได้มีวัคซีนเอาไว้นะมันไข้มันก็เลยเกิดนั่นแหละทีนี้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าปกติกุศลกับอกุศลจะไม่เกิดร่วมกันในขณะใดก็ตามที่กุศลเกิดอกุศลก็ไม่เกิดขณะใดที่อกุศลเกิดกุศลก็ไม่เกิด ทีนี้ในในตัวกุศลเนี่ยนะกุศลก็แบ่งว่าโดยรวมๆก็คือกุศลที่เป็นไปกับศีลสมถะและวิปัสนากุศลเหล่านี้จะทำให้กิเลสเนี่ยมันเกิดได้ห่างบ้างเช่นว่าผู้ที่ปาราบศีลมากๆทำไมศีลพระพิสูจ์จึงเยอะเหลือเกินเนี่ยนะพอท่านไปสาธยายเรื่องศีลเป็นต้น น, นะนะอกุศลชาวนามันไม่เกิดเพราะฉะนั้นให้คิดเรื่องศีลให้เยอะๆไปเนี่ยนะ องค์ก็บัญญัติขึ้นให้เยอะเอาไว้ป้องกันกิเลสด้วยแล้วจิตของท่านจะได้ส่องเสพในกุศลให้มากด้วยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองวิปั ส, สนาผู้สมถะเนี่ยนะทำไมอารมณ์จึงเยอะแยะไปหมดก็จะได้ไปคิดเรื่องนั้นให้มากๆจะได้ลืมกิเลสจะได้ไม่เกิดเนี่ยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทิ้งศีลหรือทิ้งสมถะนะกิเลสก็เอาใหม่เนี่ยนะ หรือวิปัสสนาก็เหมือนกันถ้าระหว่างที่ปรารบวิปัสสนาภูมิอยู่มากๆกิเลสก็ไม่ได้ช่องทีนี้บางคนเนี่ยก็ยังเวียนมาหากิเลสอยู่ดีเช่นนะสีนี้ก็เช่นตรงๆก็ลาสิกขาไปก็ตรงเลยหรือถ้าไม่ลาก็หมักหมมอยู่ต่อไปสมถะเลิกเจริญก็อกุศลก็ต่อวิปัสสนาเลิกปรารบอกุศลก็ต่อ พวกนี้แหละที่เรียกว่าอากุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเพราะระหว่างนี้มาจากโยนิโสมนัสิการแต่ก็มีบางกลุ่มนะที่ปารลศีลสมาธิวิปัสนาเนี่ยนะจนอริยมรรคเกิดขึ้นอันนี้เพราะมีโยนิโสมนัสิการก็จนอริยมรรคเกิดขึ้นอันในถามว่าในระหว่างนี้ที่ละกิเลสกิเลสก็คือ กิเลสที่อยู่ในอกุศลชาวนะเหนะ็กิเลสเนี่ยมันต้องเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวใช่ไหมกิเลสต้องเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวกิเลสเวลาเกิดขึ้นต้องจิตสะสมประยุทธ์เหนนะ เ, อนะเอาว่าโดยติกะก่อนนะผู้ที่เรียนมาติกา ม, มาจะได้ง่ายหน่อยเห็นไะหถ้าโดยกุศลติกะบอกว่ากิเลสต้องเป็น เอกันตะกุศลก็คือเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวอันนี้ข้อที่1 น, นะเป็นอกุศลอย่างเดียวอย่างที่2ถ้าเกิดร่วมกับเวทนาเนี่ยนะทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเพราะนี่กิเลสจะเกิดโดยที่ไม่มีเวทนาไม่ได้เห็นไหมต่อไปกิเลสเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ เขาต้องรู้อารมณ์ต่อไปอีกจิตตะสัมปยุตเวลาเกิดต้องเกิดร่วมกับจิตเกิดที่จิตเห็นไเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่จิตอย่างนี้ต้องรับรู้อารมณ์อยู่แล้วบางแห่งบอกว่าถ้าเกิดกับจิตอย่างนี้นะเป็นเตกาลิกะเตกาลิกะคือเป็นไปในการสาม หมายถึงว่าเช่นที่เคยมีในอดีตที่จกมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะถ้าได้ปัจจัยนะและที่กำลังเกิดในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นลักษณะที่จะได้วิเคราะห์ว่าอกุศลทั้งหลายเป็นอย่างนี้เพันกิเลสที่มักละจริงๆเนี่ยนะก็คือเสตุคาตะวิรัตเนี่ยเป็นเป็นชื่อที่ถูกต้องที่สุดแปลว่าชักสะพาน่ เนียนะอริยมรรคคือการชักสะพานออกแล้ว น, นะชักสะพานที่จะว่าไม่ให้กิเลสเกิดอีกต่อไปเนี่ยนะเนี่ยนะนนมะันอริยมรรคเราเคยได้ยินนะในในคำว่าวิรัตมีวิรัตสามย่สมาทานวิรัต ส, สองอนนะสัมป ต, ตะวิรัต อย่างที่สามก็บอกว่าเสตุคาตะหรือสมุทเฉดไอเสตุเนี่ยแปลว่าสะพานคาตัดแปลว่ารือ้อหรือทำลายใก็เรียกว่าตัดสะพานสิอันนี้หมายถึงศีลที่เกิดร่วมกับอริยมรรณะนะคับก็ชักสะพานแห่งบาปไม่ให้บาปได้เกิดขึ้นอีกต่อไปนั่นนะเพราะฉะนั้นในขณะที่มรรคเกิด หรือที่อบรมเจริญกุศลธรรมจนอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ละกิเลสสีชนิดนี้นะละกิเลสสชนิดนี้เพราะฉะนั้นเวลาเจริญเช่นนิโวนบัพระเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปให้นิโวนเกิดขึ้นก่อนฉันจะได้ละนิโวนถูกนะอันนี้ถือว่าปฏิบัติขัดก็ตั้งแต่กุศลศีลเป็นอันดับแรกแล้ว ถ้าใครคิดอย่างนั้นนะว่าจะต้องให้การมาฉันทะเกิดก่อนก็แสดงว่าคุณก็ไปผิดศีลก่อนเนี่ยนะคุณก็จะได้รักษาศีลถูกใช่ไหมก็อันนี้ผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นในสูตรเขาบอกว่าเมื่อการมฉันทะมีอยู่เนี่ยนะคือมันมีแล้วว่ะมีอยู่แปลว่ามันเกิดบ่อยๆมันเกิดเนืองๆเกิดเนืองนิด เ, เนี่ยนะมันเป็นอัธยาศัยของคนนั้นจริงๆไม่อยากให้มันเกิดหรอกแต่ว่ามันมัน อัธยาศัยอ่ะนะอย่างที่สองไม่มีอยู่ไม่มีอยู่นี่มีอยู่สองอย่างคือไม่มีในขณะนั้นอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเพราะละด้วยกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นศีล ส, สมถะหรือ วิปัสสนาหรือด้วยวัดปฏิบัติทั้งหลายแหละเ น, น, นี่นะเพราะในขณะนั้นนิโวลก็เลยไม่มีคีอไอ้ส่วนข้อสนี่นะก็บอกว่าจะมีจะมีเนี่ยมาจากไหนก็มาจากไอ้ที่ไม่มีนี่แหละมันแปลสภาพให้มีขึ้นต่อไปได้เพราะมาจากมีอะโยนิโสมนัสการนะ่นะ พออโยนิโสมณสิการเกิดขึ้นนะกิเลสคือฌานการมาัานท่าที่ยังไม่เกิดการมาัานท่านั้นก็จะเกิดขึ้นทีนี้ข้อที่สี่ท่านบอกว่าการมาันท่าที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะจะละจะละได้ยังไงก็ตรงกันข้ามกับอโยนิโสให้เป็นโยนิโสทีนี้ข้อที่ห้าบอกว่าละได้เด็ดขาดที่ไหน ก็ที่อันนี้หมายถึงอริยมรรค น, นะทีนี้เมื่อเด็ดขาดแล้วเนี่ยนะก็เลยตั้งคําถามว่าอ้าแล้วมรรคที่ละกิเลสละกิเลสชนิดไหนก็กล่าวไปเมื่อกี้ว่ากิเลสถ้ามันจะเกิดเพราะมันได้ภูมิเนี่ยนะอย่างที่สองกิเลส ท, ที่มันเกิดเพราะมันได้อารมณ์อย่างที่สมกิเลสชนิดที่เรียกว่าไม่ได้ข่มไว้ด้วยสมถะหรือวิปัสสนาอย่างที่4ก็คือละกิเลสชนิดที่ว่า และกิเลสที่ยังไม่ได้ถอนโดยสิ้นรากสิ้นเชิงสมูหะนี่แปลว่าหมายถึงการการถอนน่ะนะอัะสมูหะตุปปณะแปลว่ายังไม่ได้เพิกถอนอะไรเลยเนไเช่นผะู <S <S ้ที่เกิดในพรหมโลกก็ยังไม่ได้เพิกถอนอะไรก็ยังเวียนที่จะกลับมาหากิเลสต่อไปได้แต่ถ้าไม่เจริญมรรคอย่างนี้แล้วก็จะไม่เวียนมาหากิเลส ท, ทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้นะจะเข้าใจอีกคําหนึ่งที่ที่เราควรจะเข้าใจเอาไว้ คืออย่างที่บอกว่าพระอรหันเนี่ยละชาติไหนกันแน่ใช่ไหมอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะเจนพระอรหันท่านบอกว่าท่านทํากิจจบแล้วเนี่ยนะพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีหมายถึงว่าชาติสิ้นแล้วสิ้นแล้วอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็พรหมจรรย์ พรหมจรย์นี่อยู่จบแล้วอันนี้หมายถึงอรหัตตมรักเนี่ยอรหัตตมรัก์เนี่ยทาเสร็จแล้วสิ่งที่น่าคิดอีกคำหนึ่งคือบอกว่าชาติสิ้นแล้วท่านก็ตั้งคาถามว่าชาติไหนถ้าชาติอดีตไปละมันทาไมมันมันมันเช่นกระดูกกองเท่าภูเขามันก็กองมาแล้วอะ่ะถ้าละชาติอดีตก็ไม่จำเป็นต้องไปละอะไรถ้าละชาติอนาคตละ่ะ ไปละทาอะไรมันยังไม่ทันได้เกิดซะหน่อยมันยังไม่ทันได้เกิดเลยยังไม่ได้ไปเกิดในภพสามกำเนิดสี่คติห้ายังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเลยไปละมันทําไมเพราะมันยังไม่เกิดสามถ้าละชาติปัจจุบันอ่ะสมมติถ้าปัจจุบันละปัจจุบันนี้ยังไงท่านก็จะต้องแก่แล้วก็ตายแน่นอนชาตินี้นะชาตินี้ยังไงท่านก็ต้องแก่ต้องตายเช่นพระอรหันต์บางรูปบรรลุตั้งแต่อายุเจดขวบ ไม่ใช่ว่าท่านจะพ้นจากความแก่และความตายชาตินี้มันก็เกิดมาแล้ว